Hors of Mr. experiences น่นว่าการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะคะแตกต่างจากการเจริญสติด้วยวิธีอื่นอย่างไรคะที่จริงเนี่ยามทีคำถามคำตอบเนี่ยบามทีเอาคาถามคามตอบอย่างนี้บางทีบางครั้งมันเข้าใจไม่ได้คุณเคยปฏิบัติไหมที่นี่ไม่เคย <c oughs> แต่ว่าเคยที่ <c oughs> เคยที่วัดธรรมวย ที่จริงเราต้องเคยปฏิบัติมันเลื่อนผอ ง, งิตของใจเลื่อนของกายมันเลื่องเฉพาะตัวมันไม่ใช่ว่าเออรู้แล้วก็ไปเคยแพทย์เอ้อยังให้พอๆนีใครๆก็รู้หมดอย่างนั้น<ฮ>ตอนนี้คนมันรู้ทำเป็นๆหมดแล้วค่ะใช่ไหมที่มันไเป็นงนั้นนะที่ดึิงตำรวจต้องรู้ที่ตัวหล่ะแล้วมันเราเราถึงจะไปพูดให้เขาดูให้เขารู้จักตัวเองนั่นเองนะที่หลวงพ่อรู้เนี่ยมันรู้ตัวเอง มันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เป็นว่าเป็นเป็นทฤษฎีหรืออะไรอะไรนะมันไม่ใช่ถ้าทฤษฎีก็ต้องไปหาอ่านที่เขาเขามีอยู่อะนะันักธรรมอะไอะไรนะอ่าแล้วจริงๆเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องธรรมะถ้าเรื่องของการปฏิบัติอย่างนี้แล้วถ้าสมมติว่าหนูเป็นคนที่สนใจในเรื่องของปฏิบัติท่านจะแนะนําหนูว่าอย่างไรบ้างอ่าเอาอย่างนี้สิ <c oughs> นะอ่าเนี่ย ก็จริงๆก็ให้เรารู้ตัวถ้าอย่างนี้มันจะง่ายเลยมันจะสั้นเลยถ้าถามอย่างเนี้ทําไงให้รู้ธรรมะได้อย่างไงรู้อย่างไรคือรู้อย่างไรใช่ไหมหรือต้องส่วนมากคนเราบางทีถ้าไม่เข้าใจแล้วมาปฏิบัติธรรมะว่าต้องทําอย่างไรสิมันบอกต้องทําอย่างไรสิถ้าอย่างนี้เราถามแบบไม่ไม่รู้เรื่องใช่ไหมถ้าคนที่รู้ก็้ามาถึงว่าเออต้องต้องรู้อย่างไรใช่ไหมอย่างนี้ถึงจะถูกใช่ไหม คือที่นี่หมือนนี่เนี่ยสร้างอั่างไรนี่บางทีมาถึงเมองพอนะทำนี้ใช่ไหมืองพอ่อทางนี้ถูกไหมอะไรต่อะไรอย่างเนี้ยนะมันไม่ใช่เรื่องว่าทำอย่างนี้เหมือนนี่นี่เขียนว่ามีกี่แบบอะไ ร, รอะไรใช่ไหะที่จิงมันมีแบบมันไม่ได้มีมีรูปมีแบบอะไรแต่รู้แล้วมันนลุดทุกใจรู้แล้วมันหมดทุกเลยแต่เราก็ใช้รูปแบบในการที่จะเป็นเครื่องมือในการ ให้คนเข้าใจหรือเปล่าคะให้นันวันเป็นกาฝึกคนอีกทีเป็นการยา้ำนะเหมือนเปรียเที่ยเหมือนนักมวยนะ่นักมวยเวลาจะจะอยากจะขึ้นชกมวยก็ต้องมาฝึกซ้อมก่อนนะใช่นะนั่นนี่เป็นแค่การฝึกซ้อมใช่ต้องชกสอบใจนะ ชคไงให้มันแมน่นยำโชคไงมันถูกอะไรต่้งๆต้องยังไงต้องดูตัวเองแล้วขึ้นเวทีไปชคจริงๆเลยนะไม่ใช่โชคสอบทช่ไหแล้วใช่ใช่อะไาใช่สุนทรภู่เราเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาแล้วสนใจเรื่องของการปฏิบัติฉันจะแนะนำอย่างไรคะกับการเริ่มแรกริ่มแรกเลยอะนะเอาอย่างนี้ง่ายๆเลยนะอย่างนี้มันจะจบง่ายเลยเอ า, าง่ายสบายเลย นั่งไงถนัดดีสบายที่สุดอะ่ะอันนี้อยากคิดว่าที่จะมาออฟังอยากจะมารู้ถามถามคำตอบนี่ไม่เอาด้านสบาย<ม>แล้วเรา<ม>นั่งอยู่ที่บ้านไม่มีอะไรอย่ามีพระละทางเดินยังไงนั่งไงถนัดดีนั่งไงไม่ปวดเมื่อยนะนั่งไงไม่ปวดเมื่อยนั่งไงถนัดดีถนัดนะยังไงรู้สบายสบายแขนสบายขามมนขยับต้องมันที่ขาา้าเท้าอ่ะได้แล้วค่ะ นี่แหลเนี่ยเริต้นเนะนี่ยเนี่ยรู้อย่างเนี้ยรู้กายเนี่ยรู้กายล่ะรู้รูปในเกง่งนะเลือดลงมัจะเดินดเกง่งมันจะบกายมันจะบาสมายเลยเห็นกายสมายเลยอ่าตนี้ดูใจในชะ่ไหใจกรดูความรู้สึกเป็นไงที่าหายใจเข้าออกไงเดี๋ยวนี้รู้สึกหายอ้านมาก อาดานมันจะคายประรูกก้จะคายไมอาัานในขกั้ไม่ใช่เราอา่านเรากั้นนะเราดูความรู้สึกของเรานะร่างกายเหมือนกันมันเกรงเองนะไม่ใช่เราไปเกรงนะนี่แหละเห็นมาเห็นอย่างนี้ใจงานตามรู้สึกอนะอกโง่ไอ่านก็ต่างเพรานไม่ป่มันไม่โป่ก็อ่านหายยาอยู่มันโล่งห้องดูแลเจล สังเกตดูนะสังเกตโอเคสังเกตดูที่ความรู้สึกใจหรือความรู้สึกนะั้นรู้สึกได้เนี่ยเห็นได้รู้สึกแก่ถามรู้สึกอัดอันไหมไมไ่รู้สึกอัดอนันความรู้สึกสบายนะี่ถึงขั้นสบายคะเอาเนี่ยไปสบายแล้วดูเฉยเฉยรู้ได้สบายไม่สบายจะยยยรู้ได้แล้วดูเฉยเฉย มันเป็นไงก็เห็นตามควงเราดูเฉยๆดูสบายๆมันจะเบาอะต้องไม่อ่านไรขั้นนะดูนานอยู่นานๆรู้รู้เฉยๆไม่ต้องไปตั้งใจนะอยวาไปแทงอย่าไปจ้งนี่นี่ก็คือ เราไม่ต้องนั่งหายใจอยู่เฉยๆเราก็รู้ได้อะไรแบบูกต้เนี่ยเรนี้อได้แต่ไงสนหมดไมามด้วยมีตามคิดตามเหไมไม่ต้องมีได้ไม่ต้องมีาคิดตามเหนะมีอยู่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีได้ดูเฉยๆดูเฉยๆ เป็นความรู้สึกแต่ไม่ใช่เรารู้สึก่ะถ้าคุณเธอเป็นว่าเรารู้สึกจะเห็นไม่ได้มันจะปิดบางแล้วต้องเห็นความรู้สึกของอริทีเนี่ยเดี๋ยวนี้รู้สึกสงบไม่สงบความรู้สึกสงบแล้วไม่สงบอย่าเพินงถามนะดูสังเกตก่อนจะถามเดี๋ยวให้ถามเป็นไงหยุดไหมความรู้สึกหยุดหยุดไหมพักหยวไหมได้พักไหมรู้สึกอะได้พักความรู้สึกไหมรู้สึกจะพัก ใ, ใจหายใจสบายความรู้สึกได้พักมันหยุดแล้วความรู้สึกไม่นไม่มีมันไม่มีความคิดความเห็นไม่จินตนาการไม่วิพากวิจารณ์อายมาเห็นความรู้สึกก็เฉยเฉยไม่มีอะไรยินดียินร้ามีไหมต้องการไม่ต้องการมีไหมอยากไม่อยากมีไหม ถาเห็นามรู้สึกมันจะเฉยถ้าเราดูเฉยดูเฉยามรู้สึกอันนี้เฉยาไรจะยินเงยามรู้สึกหอยู่ยดัก่ได้หรอกแต่นี่เป็นไาอรู้สึกว่าดีขึ้นกับอนนี้เยดูไว้อย่าลืมอย่าิพากวิจารดูเฉยเฉยสังเกตดูว่าเป็นไง อาดูหรืศึกษาดูทั้เราไม่ต้องไปวิพากษวิารหรือไปต้อไปฆ่าเน่ห์หรือไปดาวอะไรออย่าไปดาวเลยนะให้เห็นต า, ภ า, ภาพาไปเองทีเดียวนี้ตาดูอะรอรดูใกล้ๆยเห็นาภาภาพาลุสึกสนุกนะมพอเห็นนีดพอาดู๊นะ<ภ>ดก็จะคิดต้องดูอันนี้วันดูอันนี้เดียวนะพอตาดูุก็จะคิดค่ะ เงินกับฟ้าเคยชินไงเห็นไหมอตนอนนี้รัดูรูอันนี้รู้อันนี้อยู่ตัวหาใจเข้าหาใจออกเนี่ยเห็นอยู่ดูดูเฉยเฉยเบาๆรู้ได้อะรู้ได้เฉยเใจเย็นรู้สึกว่าเย็นมารู้สึกมันเย็นอ่าเห็นได้อะ น, นี้ แต่ให้ดูให้ให้กินนะฮะแล้วเขาค่อยช้ำเรียนดูดูไกลๆยังเห็นอยู่ไหมเนี่ยต้องเห็นเอาเมื่อกี้วะมันคิดอนนี้ไม่คิดแต่มันรู้นี่ไม่มียินดียิน่เสียงอะไรกเแยเนี่ยรู้มันจะไม่งุบงิดมันจะไม่ลำค้าเนี่ยาม่รู้เฉยๆอันนี้เนี่ยไม่มีทุก นะเนี่ยไม่มีทุกข์อ่ะเนี้ยเนื้อเนื้อคำถามนี่มันารปฏิบัติธรรมคืออะไรนี่นะคําก็คือไม่มีทุกข์หรือเรียกประโยชน์สูงสุดของชีวิตก็ได้ประโยชน์ประโยชน์สูงสุดใช่ไหมและเหตุใดเราจึงควรหาโอกาสปฏิบัติธรรมเพราะเรามีทุกข์จิตใจวุ่นวายไหม่ะวันวั น, วนรู้สึกเนี่ยไม่มี ไม่มีความสุขเลยรู้สึกวันวั น, วนรู้สึกมีความสุขไหมมีความสุขไม่วันก็วันก็ยังยุ่งได้พักเป็นภาระทางจิตใจพึ้ไปหมด<ช>ยิงเดี๋ยวเนี้เออเซอร์เนี่ยใจไม่หมดเลยยิ่กคนไม่เซอร์ขาวด้วยอย่างนี้ยิ่งขาวรู้ข่าวนี่ก็อยากจะมาลงอยากจะมาขายแช่ไงชีวิตวุ่นวายมากน่าหนาหนาน่ะนรู้อย่างนี้เขาจะไม่บมบานนี่เรียกว่าเพตุใดจินต้องมา หาโอกาสปฏิบัติธรรมะเนี่ยใจคําตอบอย่างนี้หาเพื่อพักจากความวุ่นวายหรคอเปล่ะเนี่ยจะให้ให้หลวงพ่อตอบมันตอบยังไงคุณต้องตอบเองแล้วแต่นี้ใช่ไหมน่ะข้อสองการปฏิบัติธรรมมีกี่วิธีนี่แหละมีกี่วิธีวิธีเดียวให้มารู้ตรงนี้น จ, จบเลยใช่ไจบเลยจบไหม นะแบบเดียวอะไม่ต้องมีกี่แบบละไม่ต้องแบบก็ได้ไม่ต้องวิธีไม่ต้องอะไรอะ่ะรู้อย่างเนี้ยรู้จักอย่างนี้อรู้จักรวมถึงระดับชั้นของการปฏิบัติธรรมเรารู้ไปไเรื่อยมันจะเป็นระดับระดับรับมันจะเป็นขั้ขั้นเหมือเราขึ้นกระดาที ข, าท ข, า ข, าขั้นทีขั้นอีกขึ้นแล้วเราจะรู้ได้ว่าเราขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งลแล้วอ่าเดี๋ยวนี้ที่เมื่อกี้คนรู้ไง แล้วเดี๋ยวนี้คุณมารู้อะไรดีขึ้นกว่าเกไห ม, มที่คิดคุณดูอ่ะยากกลับได้หมอประเด็นได้ยังเห็นต่อว่ามาเป็นงสงบมากยังยังคิดว่าจะสงบ อ, อยูอ่นะสงบเป็นไงอิสระ ย, ยังไม่อิสระรดูได้ยายเข้าดูามรู้ไปดูตามที่ หายใจไงก่อยโป่ม่ไม่อันไม่กั้นเราดูที่อันกัคนก็ถ้ามันอันกั้นก็เป็นไปเพื่อไม่อันไม่กั้นนะมันไม่ต้องทําอ่ะเรารู้นี่มันมันอันมันกั้นกับความไม่อันไม่กั้นมันเป็นไงเราก็ต้องรู้ภาวะอย่างนี้ทำไมเราถึงไม่ต้องดูความคิดเดี๋ยวดูวันนี้อย่าเพิเนี่ยอย่าไปหาหาคำถามอย่าเพิ่งไปหาอยากจะให้รู้ตรงนี้เดี๋ยวจะได้คําตอบหมดเลยได้ไหมอ่ะ จะเป็นการฝึกคุณด้วยอยากจะให้คุณเข้าใจธรรมะอันนี้ด้วยะนะเราไม่ได้เดี๋ยวคำเขียนคำมอกอย่างนี้ถ้าคุณไม่ได้อะไรเลยอย่งไงนั่งสบายมันขยับนิ้วขาขยับสิอย่างไงสบายหรือเปล่าไหมนะขอขยับตัวและสบายขึ้นหนะ่อนยะเห็นเีหย เนี่ยเราร่วมเลยสิ่งระ น, นี้เป็นเรื่องเลยความสุขเขาเรียกที่ให้รู้ปัจจุบันด้วยอย่างเนี้ยรู้ดีๆนะหายใจเข้าไป็นไรรู้สุดสบายมีความสุขหายใจไงถึงไม่ได้ประโยชน์หายใจ ง, งไะะจงมันเป็นประโยชน์บางทีเราไม่เคยสังเกตว่าหายใจเข้าห่ขอเขไม่ได้สังเกตว่าเป็นประโยชน์แล้วไม่เป็นประโยชน์หายใจเป็นประโยชน์ไงที่เขาบอกหายใจลึกๆสิหายใจแบบคลอนคายเด้ หรืออะไรก็แล้วแต่หรืออยารู้จักที่คายผอนคายไม่อ่านไม่กังบอกว่าเป็นงานอิสระที่เนี้ยต้องทาอะไรท่ไหนมันก็ค่อรู้อย่างนี้มันจะเขอยๆจังขายดีดขึ้นนะแม่งลาดับเมื่อกี้ไม่รู้อย่างนี้แต่นี้มันเริ่มมันก็ค่อยๆรู้เนี่ยได้ได้ระดับระดับไปอย่างเนี้ ก่อนไม่รู้อย่างนี้รู้อย่างนี้ดีกว่าเก่าแน่ะรู้นี้กว่าเก่าแต่ว่ามันไม่ได้คงที่อยู่นะตรงนีคืออันนี้มมนหมาย<ะ>ถึงว่าเพียงจะให้รู้ที่เดี๋ยวนี้เกะยังไม่คงที่เพราะคนยังไม่อยู่ตัวไม่ใช่เพียงวันนี้มาพูดแค่นี้แค่แป๊เดี๋ยวคุณก็รู้นะต้องใช้เวลาคุณต้องรู้ว่าเนี่ยลากเงาของนะหรือต้นตอของตามพวกตามศุขให้เรารู้จากในตรงนี้ และทำไปเรื่อยๆ เ, เ, เราก็จะมีความชำนานเราจะค่อยๆเข้าใจขึ้นนะอ่าต้องใช้เวลานะนะเนี่ยที่บอกให้คุณรู้อย่างเนี้ยแล้วคุณรู้อย่างเนี้ยคุณต้องดูอยู่เรื่อยๆจนมันไม่เผลอไม่หลงเลยนะที่บอกคุณรู้ตาเดียวมันจะเปลี่ยนไยแล้วเพราอยัางติดความเคยินเก่าๆตอนนี้ต้องรู้จนให้มันเห็นนี่มันมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากเดิมเลย ตัเก่าเลยอย่างนี้อยากสงบอยู่ไหมต้องพยายามอยู่หลวงพ่อหนีจะเน้นความรู้สึกสงบนะไม่ใช่เราสงบนะดูดีๆนะถ้าเราสงบเราไม่ใช่นะเป็นไงเห็นความรู้สึกสงบไหมเห็นความรู้สึกมันสงบนะงั้นไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราสงบแต่ความรู้สึกคือไม่ได้เมื่อะไรเห็นภาวะธรรมแล้วเขาไม่เห็นธรรมะเห็นอย่างนี้ เนี่ยก็อยู่ในสติสถานเสกขมังกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองนะและเห็นก็เห็นว่าสักแล้วว่าเห็นสักแล้วว่ารู้ไม่ใช่สักบุคคลโตโตัวเขานั่นก็หมายถึงไม่ใช่เรานะไม่มีเราก็เห็นเป็นความรู้สึกก็เป็นภาวะธรรมเท่านั้นเป็นปรากฏกายของธรรมอจ่าเท่านั้นนี่ <c oughs> ถึงยังไม่ใช่มีเราแล้วนะลเห็นอย่างนี้ต้องใช้เวลาด้วยดูไปเรื่อยๆด้วยนะ เดนี้เราอาจยังดียังสงสายยังลังเลยถ้าดูไปเรื่อยเรื่อยเรจะเห็นอ้วมันจะแยกออกมันจะเข้าค่แต่เดี๋ยวนี้เห็นมันก็แยกแล้วแต่เราเห็นแยกนิดเดียวมันก็ยังสงสายเพราะเราเลยยั ง, ย, งยังเคยเชินอยู่กับเป็นเราอยู่นี่ว่าแยกนี่คือแยกระหว่างอะไรกับอะไรคะแยกระหว่างแยกตัว<ด>รู<ด>้อะกระโดดถูกรูกอ้อะบอกมันเป็นอันเดียวกันเลยเพะั้นเราทําอะไรเป็นฐานก่อนเป็นเรารู้สึก อะไรอเนี่ยเราทําไปตามความรู้สึกหมดเราไหลไปตามความรู้สึกเลยเป็นไปตามความรู้สึกอะ่ะตอนนี้พอมาเห็นความรู้สึกนี่เราจะอยู่ดูมันเฉยๆแล้วเราไม่เราไม่ทําไปตามความรู้สึ ก, กนั้นแหละพอเห็นความรู้สึกมันจะไม่เป็นนะนี่ยเราตกเป็นท่าของความรู้สึกนั่นแหละนะหรือตกเป็นท่าของอารมณ์นั่นเองหรือทําไปตามอารมณ์นั่นเอง หาและอุปสรรคของผู้ปฏิบัติธรรมในระยะแรกอืและวิธีการเอาชนะอุปสรรคเหล่านะั้นถ้ารู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆจะไม่มีปัญหาเรื่องอุปสรรคอย่างนี้เราก็ต้องเรียนรู้อย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเห็น ถ, ถึงมาเนี่ยมาถึงว่าหลงพอถึงพยายามชี้ใหคุณรู้จักอันนี้นะแล้วมันจะไม่มีอุปสรรคแม้แต่อุปสรรคของจิตใจเรื่องจิตใจเราก็จะรู้จักควบคุมได้ความรู้สึกลึกคิด หรือจา ก, กคบคุมความรู้สึกนึกคิดของตัวเองได้ให้เป็นปกติอ่ะฉะั <c oughs> ้นอุปสรรคก็หมายถึงว่าความรู้สึกหรือคิดของเราเนี่ยมันไม่เป็นปกติมันผิดปกติเรื่อยนั่นแหะผิดปกตินั่นแหละอุปสรรคละ่ะ <c oughs> ใช่ปะเอ า, าผิดศีลอะ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ศีลอันนี้หมายถึงศีลของผู้บันเสริร์ะนะนอริยะศีล น, นะไม่ใช่ศีลห้าศีลแปดศีลสิบ น, นะ สิ้นไดว่าปกติไหเดีย๋ยวนี้จิตใจปกติไหมตารรู้สึกปกติใช่ปกติเ่งเวลาธรรมดาที่เราไ ม, รไม่รู้มันตอนปกติไหม เ, เราก็ไม่ดูไม่รู้ดมันดูุ่นวายกว่าีคนนั่ที่มันวุ่นวายมันปกติหมล่ะใช่หยนี Ye ่เห็นเ อ, องนี่ยน่าศึกษาไม่ครวรศึกษานีควรรู้หเกิดมาทาไมเกิดมาไม่รู้อย่างนี้นเสียชากน เกิดมาอย่างงงงเซ่อๆแล้วก็ตายไปงงงเซ่อๆจริงๆนะอันนี้ไม่ใช่คุดักเนะไม่ใช่ที่พูดแต่ที่พูตามจริงะเ้าในี่แหละพุทธศาสนาโูดทุกอย่นี่มนไมเข้าใจนับถือพุทธศาสนาแต่ไม่รู้จักพุทธศาสนานนี้เคม่มีอะไรยังเห็นอย่มตนี้ตอนนี้จะค่อยๆเห็นนะยังไงมีอะไรนะไม่มีอะไร เที่ยมมียินดียินได้ต้องการไหมต้องการนีไหมมีค่ะแต่ตอนนี้เราดูไปเลยอันนั้นเราติดตามเคยชิดแล้วะดูเฉดูว่าเห็นตามเป็นที่าตแท้ของเขายิงๆก็จะไม่มีแะ้วดูเฉยไม่มีไอ้ที่มีนั่นมันยังเป็นคาเป็นเปลี่ยนวิบัติากเป็นผลผลจากที่เราปรุงแต่มามันยังติดมันยังยึดอยู่มันเป็นผลที่ นี่แล้วกันอันนี้สาระสำคัญของแนวทางวิธีการเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวนะนี่นี่เ็นเข็นควารู้สึกอย่างไรอมื่อวานเขาทำตังไนดูเข็ารู้สึกเข็นควารู้สึกได้ไหายใจเข้าออกเป็นไงไม่อัานไม่พัาข้อสำคัญอย่าลืมต้องรู้กายรู้ใจคำว่ารู้รู้รู้นานเดียวกัน รู้ ก, กายรู้ใจนะั่นแหละรู้รูปรู้นามนามแบบว่าวามรู้สึกนั่นเองกายแว่าายก็รูปก็กายอันเดียวกันนะอ่านะยืนเดินนั่งนอนเดี๋ยวนี้เรนั่งเดี๋ยนั่งนะขยับยแข่งขยั บ, ข, ยบขาสบายขยับนือขยับตัวรู้ได้ ด, ดงเงีมสมดุลเี้ดสบายเลยเห็นก็เป็น คือให้กายมันดีให้ใจมันดีเราก็ต้องเคยฝึกอยู่เรื่อยเรื่อยเรียๆว่าแก่ทุกข์นะเดีวนี้เห็นไหมใจอัานอ่านไหดูเฉยเฉยหายใจเข้าออกลองดูที่ดูเฉยเฉยไม่อัานไม่กั้นก็แล้วกันเป็นไปเพื่อไม่อัานไม่กั้นก็ต้องรู้ได้อะมันมีอยู่อะไม่อัานไม่กัน้นอ่านกั้นมันก็มีอยู่แล้วก็อยู่ก็มารู้ภาวะที่มันไม่อัานไม่กั้นกิ ยูเอาบภาวะเย็นแน่ไนกันิมันก็จะเปล่ามาขึ้นได้ใช้เวลานิดอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องนะอย่างงี้ไม่ยืดหยหน่อยะอย่างง้สงบไหมมีให้ดูเยอะอย่างงี้ยใจดีนะรู้สึกเย็นด้วยหรอ อารมดีและอารมณ์ไม่ดีเห็นได้ดูอย่างนี้ถ้าคุณไม่มีอะไรมาอรนะ่ำไม่มีอะไรติดพันมาพร อ, อย่าเห็นได้ง่ายนะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ทีอยากไปตั้งใจเลยมากๆวัยแหมมอ ม, มันนีหน่าหรือเปล่าอยากจะต้องมารู้อะไรอะไรไม่ต้องไปรู้อะไรมาสังเกตดูอย่างเนี้ยพ <c oughs> ักก่อนนะไปหารู้สิได้พักไหยต้องพักอไปรูอร้อย่าไปสนใจกับอะไร คิดใจหมาความรู้สึกความรู้สึกไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีอะไรได้นะทักความรู้สึกจะทักไหมหรือรู้จักทักความรู้สึกลันดูที่หยุดอยู่นะดูเลยครับแต่ี่เราไปดูจ้องดูมันความรู้สึกต้องทักความคิดก่อน อันเดียวกันอันเดียวตความรู้สึกพราภาคีมันจะหยุดความคิดมันก็ไม่คิดแต่มันเป็นความรู้อะรู้อะไรอะไรได้เห็นความรู้สึกที่สงบไม่สงบความรู้สึกสบายไม่สบายตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าเหตเวทนากายเวทนาสบายไม่สบายตรงนี้เห็นกายเห็นเวทนา บางทบอกตายไปแล้วแตนี ài, ài, giờ, giờ, giờ, phải, giờ, Jesus, ้มาดูไปทำมาเป็นไงรู้สึดูเฉยเฉยมันไม่สบายก็ได้มันสบายก็ได้อย่าไปอย่าไปปฏิเสธอย่าไปขัดขัดแย้งกันมาอย่าไปต่อต้านดูเฉยเฉยเพราเฉยเฉยแล้วมันจะเฉยเลยมันจะสงบเลยไม่ต้องทําอะไรนะไม่ต้องมีความรู้สึกอย่าไปค่มกดอย่าไปบังคับดูเฉยเฉยเขาสิ เขาจะจางเองเขาจะเขาค่อยหมดไปเค่อยจางรตัเองอย่าไ้เพ่งอยู่ที่เดียวนะตดูไจกายเราเห็นอยู่เองาต้องดูใส่กายมันจะมันจะโอ่งบาขึ้นเราไปจ้องเพ่งอยู่นี้มันจะเก็บกด นะทำไมอ่านในการเป็นไงจิตใจผูกพันธับอะไรไหมไม่เกาะเกี่ยวไม่ผูกพันดูไกลๆเรดูไกลๆดูนเห็นความรู้สึกเป็ไงรู้นี่ความรู้สึกผูกพันกับอะไรไะมเกาะเกี่ยวอะไรไหมก็รู้อย่างนี้เราก็เป็นการเพื่อไม่เกาะเกี่ยวไม่ผูกพันในชะ่ไหรู้ตัวนี้ให้มันเป็นไปไงก็ได้ได้แต่นี่ยังไม่ค่อยเชืนอันนี้ เออแต่ไม่เป็นไรครับเทใส่แล้วก็ไปเปลือกฟังเดี๋ยวยัให้ซีดีไปอีกจะเข้าใจขึ้นนะจะได้อะไรเยอะเลยแหละวันนี้มาต้องคุบค่าละมาต้องได้อะไรนะอะไรงั้อ่าแต่ไม่ต้องไปหวังอะไรนะได้รู้ได้รู้จักอะไรอะไรขึ้นยังไงตอนนี้อากาศเย็นหรือร้อนไม่ร้อนไม่เย็นก็รู้ได้เพราว่าเอ เราไปดูเฉยๆรู้เฉยๆอ๋อก็ อ, อย่างนี้องเงี้ยธรรมดาปกติธรรมดาเราเคยดูอย่างนี้ไหมไม่เคยค่ะไมได้เรารู้อย่างนี้ดีไหม <c ười> นี่คํว่ารู้ปัจจุบันรู้อย่างนี้ทีนี้มาเจอสบายก็ได้ไม่สบายร้อนก็ได้เยน็นก็ได้เราก็จะอยู่กับร้อนก็ได้อยู่กับเย็นก็ได้แล้วก็จะเฉยได้ดูแล้วเราก็เฉยต่อสิอ ด, อนนดได้ทนได้เนี่คำว่า ค, ค, คันติเนี่ยรู้ทะรู้อย่างนี้ ถ้าเราอยู่กับสามคนนี่เราอยู่ตาออะไรใครมาพูดดีพูดไม่ดีก็เห็นจิตใจเาเฉยๆตอนนี้เฉยเงี้ยเฉยๆหเสียงีมอน้เดือดจยินนะเสียงนกเสียงนกก็ได้ยินโอ้เสียงเยอะแยะเสียงสงบเียเงียบมีมันเสียงอะไรเยอะเะัรรับรู้นี่จะดีขึ้น ชัดไปหมดเลยฮะใจเราก็ยิ่งดีด้ยแต่ต้องดูนะไม่อ่านไม่กั้นนะต้อครดูนะแมวดูดไปแล้วมันจะอ่านมันจะข้ามถ้าไม่อ่านไม่กั้นมันจะเบายิ่งเบามันยิ่งเห็จ้ครัด่ะถึงนี้เคยในอย่างนี้ก็อยากอ่านอยากอ่านพยายามต้องดูอันนี้ว่าตอนนี้เราดูดไปแล้วมันจะอ่านมันจะข้นอันนี้ตัวสําคัญมันอ่านเองขั้นเองนะไม่ใช่เราอ่านเราขั้นนะมันเป็นไปเองเลยนะ ถาเราต้องเคยรู้ว่าเนี่ยคำว่าวิชาที่ไม่รู้อย่างนี้เรยว่าวิชาหรือโมหะนั่นเองอย่าเฉยๆนะเห็นเฉยนะอันนี้พอเฉยๆเห็นไหมปกติมียินดียินไลน์ต้องการไม่ต้องการมีไหมถึงเฉยๆก็เห็นได้นะไมทำเบรถ้าท่านถามก็จะคิดใช่ เนี่ยอยากคิดที่ไม่ต้องคิดอะไรดูที่ความรู้สึกอ่ะดูที่ความรู้สึกมีอะไรไหมไม่ใช่เราเนะดูความรู้สึกไปเลยความรู้สึกนี้อะไรมียมอยากไม่อยากต้องการไม่ต้องการไหมจ้ิจริงๆเนี่ยภาวะนี้เขาไม่มีทุกอยู่แล้วอ่ะเขาเรียกว่าเขาเดิมเขาเดิมแท้ของจิตเราที่จริงบุรีสุขไม่มีอะไรเพราะความเห็นผิดเราให้เราลงอย่งแบบเป็นตัวเรา เอนน้นของเราอนี่ของเราเราชอบไม่ชอบอะไรมันโอโหตามมาเยอะแยะพอเรารู้อย่างนี้จะรู้ตัวแหมอนี่เนี่ยให้เข้าใจต้องใช้เวลาหน่อยถึงว่าเนี่ยนี่มันถึงไม่ง่ายนะนะถึงว่าที่จะเขียนที่ไปให้คนรู้อะไรต่ออะไรอเนนี้นะมันไม่ง่ายหรอกเขาเขียนเยอะแยะ น, น, น่าหลังโอ้โหไลาเป็นไปไปเลยนะ เยอะแยะเยอะไอมของตลาดนักศึกษาธรรมะไปดูสินะอ่าแล้วคนทุกข์ได้นยะด่าทุกไม่ได้อะเเละการพูดธรรมะสอนจะสอนมันทั้งม้านทั้งเมืเองนเยอะๆอยูนะ่ที่คนจะรู้อย่างนี้มีน้อยที่สุดเือกีนะเดี๋ยวเนียาย่อนวันนี้ก็เพิ่งมาเนี่ยก็เข้าใจขึ้นนะอ่ะเยอะหพ่อว่าจะรู้อย่างนี้นะสิบกว่าปีนะ เราก็รู้ว่ามันก็เบาบางลงนะว่าเราอธิบายธรรมะเราพยายามลดละอะไรต่าอะไรแต่มันไม่มันไม่พ้นทุกข์ใช่มันยังอยู่กับทุกข์มันยังติดมันยังยึดแต่เดี๋ยวนี้มันมันหลุดมันรอดมันโคละอังเลยโอ้อะไรอเห็นอย่างงั้นอย่างงั้นอย่างนั้น